และเมื่อแกให้สัต์จับปฏิญาณแบบจรแกข้าวอะ่ะแกจะไม่ถือโทษโกรธเคืองข้าแล้วข้าก็จะยอมเป็นลูกน้องของแกต่อไปว่าไงบอกโปรงใจเร็วนะถ้าข้าไม่ยอมแกตายเลือกอเอาเจ้าทางไหนไวร์สุขฟังสิเสีง๋งเลยวเควน เสียงเกวียนแน่เลยออกเป็นเสียงเวียนขวบบายความว่ามีบู้นำสินค้าผ่ามาทางนี้เลยใช่แล้วเวียนสินค้ากำลังจะผ่านมาอืมไม่อดตายแล้วยังใช้อยู่ทําไมล่ะเสียละไปปล้นสินค้ากันเลยด้วาไปดีไปปีชีละเร็วเราไปกันแล้วเร็วหัวหน้ากับลูกน้องซึ่งเลือกทางเดินที่ถูก พากันคว้าดาบวิ่งตามไปแล้วอะไรจะเกิดขึ้นกลัวอยู่อย่างเดียวว่าเศรษฐะและปิงคีระซึ่งหิวโหวยจะเปลี่ยนใจไปเข้าข้างสีหะและปาลกะช่วยกันต้นพ่อค้าเกวีอนอยนที่เคยทำเอาละต้องตามไปดูให้รู้แน่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น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 หน้าต่อสู้กับสีหะปาลกะกับสิงทินั้ทั้งสองคู่ต่อสู้กันเด้เพลงดาบสุดปีหมื่นเสียงดาบประทบกันดังสนั่นปากเป็นประกายวูบว่าไปขาดระยะ พ่อค้าเปลี่ยนคงจะประหลาดใจไม่น้อยยืนมองกันอยู่เอ๊ะแปลกอยู่ที่นี้ก็มาสู้กันให้ดูไม่รู้เรื่องอะไรขึ้นมาพวกไหนกันล่ะเนี่ยจะพวกไรสิพวกเราท้าวก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นโจรโจรโจรทำไมไม่ต้นมาสู้กันทําไมล่ะน่ะมันต้าขัดอะไรกันทั้งอย่างลูกใคอย่างนั้นไว้ใจไม่ได้แล้วนะถ้ามันเกิดเข้าใจกันได้มันต้องต้นแน่แน่ บอกพเทุกคนนะให้เตรียมพร้อมาไว้น ะ, อะบอกพวกเราอยู่แล้วพื้นปลอปลนมะันตายแน่นู้แห่นี่ไม่คลังมือมือพวกเราหรอกเนาะแต่มาไปได้นะถึงพวกมันจะมีน้อยแต่ก็มีฝีมือของเรามากคนเปล่าแต่คนที่มีฝีมือหาได้อ่ะทางที่ดีให้มันตายไปทั้งสองฝ่ายนั่นแหละดีที่สุดแล้ว การต่อสู้ระหว่างเศรฐะกับสีหะน่าดูมากสููนี้เป็นการตัสดสินว่าใครจะเป็นดัวหน้าแต่เท่าที่สังเกตในฐานะที่เคยเป็นโจรใช้ดาบมาอย่างชำชอกพอจะมองเห็นว่าเศรษฐะมีฝีมือเพลงดาบดาเหนือกว่าสีหะมากมายแต่ดูเหมือนว่าเศรฐะจะไม่ตั้งใจสู้จริงเพียงแต่ป้องปัดป้องกันตัวเท่านั้นตรงกันข้ามกับสีหะ ต่อสู้อย่างสุดกําลังและฝีมือไม่มีการออมไม้ออมมือแต่อย่างไดทันทีก็เพราะเร่งต่อสู้อย่างดุเดือดทําให้เขาอ่อนกําลังลงอย่างเห็นได้ชัดตรงข้ากับเสดชาติต่อสู้อย่างใจเย็นหลายครั้งที่เสดชาติมีช่องทางที่จะเผด็จสุดได้แต่เขาก็ปล่อยให้โอกาสผ่านไปโดยไม่ทําอะไรเสดชะคิดคิดไปแล้วคิดบ้าหรือไมหมนะ บาทีการเลี้งศัตรูก็ น, นำความหายนะมาสู่ตัวเองสีหะเปิดช่องให้แล้วเศรษฐาแทงเบาเหลือเกินสีหะเอาดาบปัดดา บ, าดาบดุดจากมือเศรษฐากระเด็นไกลสี ห, ยหะหย่างสามขุมเข้าหาเอานี้แหละแกตายแน่เศรษฐาแกจงตายในทางถูกต้อของไก่ละเศรษาถอยหลังนี้โอส ะ, สะดุดสะดุดตอไม้ล้มไงหลังแล้ว พุ่งดาบหมายแทงยอดคมเสรษฐากรี๊งตัวหลบอย่างเร็วปลายดาบพุ่งเสียบพื้นปิดแน่ดึงเท่าไหร่ก็ไม่หลุดเศรษาลุกขึ้นยังรวดเร็ยวตรงเข้าล็กอกคอศีหาไว้ออไ ป, ไ ป, ไปนี่ไหนสีหา ข, ข, ข, ข, ข้าหายใจไม่ออกศีหาข้านี่ถึงทีข้าจะออกคําสั่งกับแกบ้างลนะจะออกคําสั่งให้กระทําอะไรบอกนะข้า ข, ข, ข้าหายใจไม่ไปออกอยู่แล้วแกตจงให้สัญญาแบบโจรกับข้าว่ะ แกจะไปตามทางของแก่อยให้ข้าไปตามทางของข้าอย่างสงบทุขสัญญาสิข้าให้สัญญาอา้าวข้า่อยลนะ้อา้อาไงแน่นิ่งหมดสติไปเลยไปละกะสีหายอมแพ้และเจ้ายังจะสู้อยู่อีกเหรอข้ายอมแพ้ช่วยแก้ไขสีหาด้วยนะนี่มาเรื่องอะไรกันน่ะ ข้าพรเจ้างงไปหมดแล้วท่านธรรมณะช่วยอธิบายด้วยเถอะก่อนที่จะเล่าความเป็นมาของเรื่องนี้ท่านปกค้าเอาอาหารมาเลี้ยงดูคนทั้งสี่นี้ก่อนเถอะคนทักษีนี้กำลังหิวโหวยมากทีเดียวอ๋อได้สิเอาช่วยจับอาหามาเลี้ยงท่ทานทั้งสีให้เอา ก็เป็นอย่างนี้แหละท่านพ่อค้าเรื่องเป็นอย่างนี้เองข้าพระเจ้าเข้าใจแล้วหัวหน้าข้าตัดสินใจแล้วตัดสินใจอะไระสีห์ข้าจะกลับใจเดินตามทางที่ถูกจะขอเดินตามไปรับใช้ท่านทุกโนทุกแห่งจนกว่าชีวิตจะหาไม่มดีละสีห์ข้เราจะได้ร่วมเดินทางด้วยกันอีกท่านทั้งสี่จะไปทํามาหากินอะไรก็ยังไม่รู้เหมือนกันแต่ที่แน่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 ท่านทั้งสี่จะเต็มใจไหมล่ะโอ้เข้าพระเจ้าทั้งสี่เต็มใจยินดีที่จะรับใช้ท่านและจะช่วยป้องกันอันตรายจากโจรดีแล้วถ้าเช่นนั้นก็ร่วมเดินทางไปด้วยกันเสดนนี้เลยเข้าพระเจ้าขอลาท่านสมณะและจะขอจดจำพระคุณท่านไปจนกว่าชีวิตจะหาไม่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 เห็นก็เมื่อเขามายกมือไหวอยู่ตรงหน้าแลท่านผู้เจริญขอท่านได้โปรดช่วยข้าพเจ้า ok ด้วยอุบาสกมีอะไรข้าพเจ้าและนางพรามกำลังตกอยู่ในห่วงมหันต์ทุกข์ท่านกำลังมีความทุกข์อะไรเล่าให้อัตมาฟังสิอัตมายินดีที่จะช่วยเหลือคือว่าเออเล่าไปเถอะอัตมากำลังคอยฟังอยู่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 พลังเมตตาจิตไปกระทบโดวงจิตเขาแล้วเขาค่อยๆเงยหน้าขึ้นท่านกุมารเอ๋ยเวลานี้เจ้าอยากตายเพื่อจะหนีไปซะจากโลกอันเต็มไปได้วยความทุกนี้ใช่หรือไม่ใช่อาตมาเห็นใจท่านมาทำไมที่นี่มาเพื่อจะช่วยเจ้า ให้เจ้าเด็ดตายไปซะจากโลกนี้ท่านพุทธเริญทำไมท่านพูดดังนั้นอยู่เฉยๆเธออุบาสกครับนี่เป็นหน้าที่ของอาตมาเมื่อเขาอยากตายทำไมจะต้องคัดค้านละ่ะขอได้โปรดเถิดท่านสมณะโปรดช่วยข้าพเจ้าเด้ตายไปจากโลกนี้โดยเร็วและอย่าสงบสุขด้วยข้าพเจ้าจะขอบพระคุณท่านอย่างสูง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 เราก็จะได้รู้กันได้ไม่ชาโปรดไว้วางใจอาตมาเถิดท่านจะทําอะไรท่านสมณะอุบาศกดูไปก็แล้วกันเออนี่กุมารถึงยังไงเจ้าก็จะได้ตายสมปรารถนาอย่างแน่นอนแต่ก่อนที่เจ้าจะตายอาตมาจะขอสนทนากับเจ้าสักครู่หนึ่งเจ้าจะยอมสนทนาด้วยหรือไม่ท่านสมณะข้าพระเจ้าทนทุกข์ทรมาร ม, มานานเต็มทีแล้ว ถ้าทางสงสารข้าพเจ้าอยากช่วยให้ข้าพเจ้าตายก็ขอได้โปรดทําให้ข้าพเจ้าตาาเสนีเถอะอย่าชักช้าอยู่เลยกูมาเลยเจ้าเสวยทุกมาหันมาหลายวันแล้วจะยังทนได้ช่วยเวลาชั่วครู่หนึ่งที่จะสนทนากับอาตมานี่ยทนไม่ได้เชียวหรอกอาตมาจะช่วยทําให้เจ้าตายเจ้าจะสละเวลาเพียงเล็กน้อยให้อาตมาเป็นการตอบแทนไม่ได้เชียวหร ต <S. S 2> กลงท่านสมณะเอาละท่านอยาพูดอะไรก็พูดมาข้าพเจ้าให้เวลาท่านเล็กร้อนเท่านั้นก่อนที่จะสนทนากับเจ้าอาตมาจะขอถามปัญหาสักข้อนหนึ่งก่อนเชิญท่านสมณะถามเจ้าจะต้องตอบตามความเป็นจริงต้องตอบความจริงด้วยบางทีเจ้าอาจไม่อยากตอบเพราะไม่อยู่ในอารมณ์ที่จะตอบแต่ก็ขอให้ตอบให้ได้ เพราะการถามปัญหาเป็นส่วนหนึ่งในการทำให้เจ้าตายตามวิธีการของอาตมาอือเอาละเอะท่านจะถามนักก็ถามมาเลยมาตอช้าแล้วเจ้าจะต้องตอบความจรงิงอือก็ได้ข้าพเจ้าจะตอบความจรงิงจะถามยังอ่ะท่านสมณะอาตมาจะถามเดี๋ยวดีแล้ว ดูท่าทางเจ้ารงคานมากเขาพเจ้าไม่ชอบการยืดเยื้อยิ่งอยากตายอย่างนี้ด้วยแล้วขอให้ตายเราเรียบเป็นการดีถามสิทศมาณะท่านต้องการ ถ, ถามอะไรอัตมาอยากถามว่าการที่เจ้าอยากตายในคราวนี้ก็เพื่อจะหนีไปซะให้พ้นจากความทุกข์ใช่หรือไม่ใช่ความตายไปทางเดียวเท่านั้นแหละที่จะทําให้เจ้าหนีจากทุกข์ได้หรือมีทางอื่นๆอีก ก็พเจ้าไม่ทราบอ่ะบางทีอาจจะไมีทางอื่นๆ อ, อีกก็ได้แต่กาพเจ้าคิดว่าความตายเนี่ยเป็นวิธีที่ดีดที่สุดเป็นวิธีที่ได้ผลเกินคาดกาพระเจ้าจึงเลือกเอาทางตายโปรดทํำให้ขพระเจ้าตายเร็วๆเเถอะทางธรรมะอย่ามาซักไซไล่เลี้ยงข้าพเจ้าเสียเวลายอยู่แล้วดูก่อนกุมารขอให้เจ้าทําใจให้สบายไว้จงพยายามทําใจไว้ให้ข้าพเจ้าทําใจไว้ทําไมอ่ะเพราะขณะนี้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 ความองท่านสมณนะทำให้ข้าพเจ้าต้องคิดหนะักดูก่อนกุมารเจ้าคงเริ่มเห็นแล้วว่าความตายของเจ้านั้นถึงแม้จะนำความสุขมาสู่เจ้าแต่มันน่าจะนำความสูญเสียและความทุกข์มาหันมาสู่บิดามารดาของเจ้าทำไมฮะท่านสมณนะเพราะเจ้าเป็นลูกชายคนเดียวของท่านท่านรักและหวงแหนเจ้าดุจชีวิตหวัง จ, จะให้เจ้าเป็นผู้ครอบครองสมบัติ เป็นผู้ ด, ดํารงวงตระกูลสืบไปแต่ถ้าเจ้ามาตายเชท่านจะเป็นทุกข์เพียงใดขอให้เจ้าพิจารณาดูให้ดีเอาละ่ะอาจจะมาขอถามต่ออีกหน่อยว่าเจ้ารักบิดามารดาของเจ้าไหมรักถ้าเจ้ารักเจ้าก็ควรจะตอบสนองคุณท่านตอบสนองด้วยวิธีใดทําให้ท่านมีความสุขนี่เจ้าบอกว่ารักท่าน แต่กลับมาทําให้ท่านได้รับทุกจะเชื่อได้ยังไงว่าเจ้ารักท่านอย่างแท้จริงออท่านสมณะข้าพเจ้าใครขอถามสักอย่างเถอะถามมาได้เลยกุมารทำไม่ใช่วิธีตายจะมีวิธีอื่นอีกหรือไม่ที่จะทําให้ข้าพเจ้าพ้นจากความทุกข์ทรมานครั้งนี้มีอย่างแน่นอนกุมารวิธีไหนอย่างท่านสมณะอัตมากําลังจะนําเข้าสู่วิธีนั้นอยู่แล้วเดี๋ยวนี้บอกมาเถอะข้าพเจ้ากําลังคอยรับฟัง ก่อนอื่นอาตมาอยากให้เจ้ายืนยันสัก่อนว่าเจ้าจะไม่หนีทุก์โดยวิธีฆ่าตัวตายวิธีอื่นน่มีแน่นะตระทำการแน่สิกุมารอาตมารับรองเจ้าจะพ้นทุกแน่แน่ถ้ายางงั้นข้าพเจ้าขอยืนยันว่าข้าพเจ้าจะไม่ใช้วิธีตายหนีทุกโอ้ลูกพ่อ <S <S ดีใจเหลือเกินที่เจ้ากลับใจได้ท่านสมณนะก็พเจ้าขอกราบท่าน้วยความเคารพอย่างจริงใจท่านเป็นเทพเจ้ามาโปรดโดยแท้ก็พระเจ้าต้องขอขอบคุณท่านอย่างสูงเออเมียจ๋ามาทางนี้หน่อยแล้วอะไรพี่ท่านเอะอโวยวายมีอะไรเกิดขึ้นลูกเราเป็นอะไรไปเหรอลูกไม่ได้เป็นอะไรครับ ใครยากบอกข่าวดีให้รู้ข่าวดีอะไรดูท่าทางท่านตื่นเต้นอ๋อแน่เลยสิใครบ้างจะไม่ตื่นเต้นเมื่อรู้ข่าวดีถือเจ้าก็เถอะต้องตื่นเต้นแน่เลยนี่เจ้ารู้ไหมท่านสมรรณพูดเกลียกลอมจนลูกเรานะี่ยเปลี่ยนใจไม่ค่าตัวตายแล้วทิงเลอเนี่ยโอโ้ลูกแม่แม่ดีใจละเกินที่ลูกเปลี่ยนใจไปลูกไปอาบน้ํำชำระร่างกายให้สะอาด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 Thank you.